50 languages. หนึ่งร้อยวิเศษริยาวิเชชน์นับดัเคยยังไม่เคยอ้าวเลยโอเมอีนู่อี คุณเคยไปเบอร์ลินหรือยังนี่วูยาวากลาดโรเบอร์ลินเกโฮก ج ิดีระไม่ยังไม่เคยเลยค่ะอิลล่าอินนุอิลล่าใครไม่มีใครยาราดรษยาโรอิลล่าคุณรู้จักใครที่นี่ไหมคะ นิมันเก่ยิลลียาราดรูกุติดาเรืยังไม่ดิฉันไม่รู้จักใครที่นี่ค่ะอิลล์นันนเก่ยิลลี่ยารูกุติละอีกนิดอีกไม่นานสวลปะเหตจชุกตุมบาเหตจชละคุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหม นี่วูอินโนสวัลปะเหตุสมัมมายอิลลีอิรูวีระไม่ดิฉันอยู่ที่นี่อีกไม่นานค่ะไม่นานนู่อิอินโนตุมบเหตุสมัมอรูดิละอะไรอีกไม่อีกแล้วอินโนเยน่นาดารุอินโนเยนูเบดคุณอยากดื่มอะไรอีกไหม อี น, นูสวลปาเยนาดารอ่คุดยลูบยสวีระไม่ดิฉันไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วค่ะอิะ่ l นันเกอิีนูเยนูเบย์ดอะไรบ้างแล้วยังไม่เลยอางเลเยนาดารอ่อี น, นูเยนิล l a คุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหม นิวยีกาเกลยนนนาเดโรตินดีๆไม่ดิฉันยังไม่ทานอะไรมาเลยค่ะอิลลนนูยินนูเยนนโนินดิลมีใครอีกไม่มีใครอีกแล้วยินนูยาราดรูอินยารอิลลมีใครอยากรับกาแฟอีกไหม อีนูยาริกาดเดรคาฟีเบกาไม่ไม่มีใครอีกแล้วค่ะอิละ๋ลล่ายาริกูเบดะกรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e สําหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด